จักขูรูปารถิขถาว่าด้วยจักษุและรูปที่เป็นอดีตเป็นต้นสองร้อสก้จักขูประสาทรูปารมณ์จักขูวิญญาณแสงสว่างมนัสการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลเห็นรูปที่เป็นอดีตได้ด้วยจกักขูประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโซตประสาทสัทธารมณ์โสตวิญญาณอากาศธาตุมนัสการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลได้ยินเสียงที่เป็นอดีตได้ด้วยโซตประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคานประสาทคันธารม์คานวิญญาณวายโยธาตุมนัสการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลดมกลิ่นที่เป็นอดีตได้ด้วยคาณาประสาท์ที่เป็นอดีตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชิวหาประสาสตร า, ารมณ์มชิวหาวิญญาณอาโปธาต์มนัสสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลลิมรสที่เป็นอดีตได้ด้วยชิวหาประสาสที่เป็นอดีตใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายประสาทโพธพารม์กายวิญญาณปฐวีธาตุมานสุสการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลถูกต้องโพธพาที่เป็นอดีตได้ด้วยกายประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนทวารธรรมารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุ มนาจิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตได้ด้วยมนูทวารมมที่เป็นอดีตดดใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจากครูประสาทรูปารมณ์จากครูวิญ ญ, ญาณแสงสว่างมนาจิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลเห็นรูปที่เป็นอนาคตได้ โดยจากขุประสาท์ที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตประสาส์คานะประสาสาาา์ชิวหาประสาส์กายาประสาส์มโนทวานธรรมารมม์มโนวิญญาณอาทัยวัตุมานสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาค ต, าครรนนาคตได้ด้วยมโนทวานที่เป็นอนาคตใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจกักขุประสาทรูปารมณ์จกักขุวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยจกักขุประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปอร์ใช่สกจกักขุประสาทรูปารมณ์จกักขุวิญญาณแสงสว่างมนัสสการที่เป็นอดีตมีอยู่ บุคคลเห็นรูปที่เป็นอดีตได้ด้วยจักรุประสาท์ที่เป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตประสาส์คานาประสาส์ชิวหาประสาส์กายประสาส์มโนทวานธรรมารมม์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุมนุษยการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยมโนทวานที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่ สกมนโนทวารธรรมารม์มนโนวิญญาณหาไทยวัตถุมนัสิการที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตได้ด้วยมนโนทวารที่เป็นอดีตใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณแสงสว่างมนัสิกา ร, รที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยจักขุประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปอรอใช่สกจกักขูประสาต ร, รูปารมณ์จกักขูวิญญาณแสงสว่างมนุษการที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นอนาคตได้ด้วยจกักขูประสาตตที่เป็นอนาคตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตประสาตตคานาประสาตตชิวหาประสาตกายะประสาตต์มโนทวานธรรมอารมณ์มโนวิญญาณหาทัยวัตถุ มนัสิกาลที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยมโนทวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกมโนทวารธรรมารม์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุมนัสสิกา ร, ร, มรมที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตได้ด้วยมโนทวารที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จักขู่ประสาทรูปารมณ์จักขูวิญญาณแสงสว่างมนัิการที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นอดีตด้วยจักขู่ประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกจักขูประสาทรูปารมณ์จักขู่วิญญาณแสงสว่างและมนสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยจักขู่ประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซตตประสาสตคานะประสาส ต, าาาต์ชิวหาประสาสตกายะประสาสต์มโนทวานธรรมารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุมนาสิการที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมม์ที่เป็นอดีตด้วยมโนทวานที่เป็นอดีตใช่ไหมปอรอใช่สกมโนทวานธรรมารมณ์มโนวิญญาณหาไทัยวัตถุ มนาศิตการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมที่เป็นปัจจุบันด้วยมโนทวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจกักขูประสาทรูปารมณ์จักขูวิญญาณแสงสว่างมนาิตการที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นอนาคตด้วยจกักขูประสาที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สก จากขูประสาทรูรปารมณ์จากขูวิญญาณแสงสว่างมณัสถการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยจากขูประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอโสตประสาทค า, านะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทมโนทวาธรธัมมารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุมณัสถการที่เป็นอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตด้วยมโนทวารที่เป็นอนาคตใช่ไหมป ร, รใช่สกมโนทวารธรรมารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุมนา ส, สิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วยมโนทวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอะติตญาณาธิกรถาว่าด้วยญาณที่เป็นอดีตเป็นต้น 290. สก่อยาสกานที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหม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 เจริญมักได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทําได้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกําหนดรู้ทุก ละสมุไทยทำให้แจ้งนิโรธจเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานที X ่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลกําหนดรู้ทุกละสมุไทยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่ สกย <se> านยาที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทําได้ว ย, ยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก <se> <se> ยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกําหนด ร, รู้ทุกขละสมุ methods and methods and methods and methods. ทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมากได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สก <se> ยานที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธ จเจริญมักได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่ทํากิจที่ควรทําด <|hi|> ้วยายานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นอดีตมีอยู่ แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยานที่เป็นอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลไม่ทำขีดที่ควรทำด้วยว ย, ยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่สกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำขีดที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกายานที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรใช่ สกยานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กำํำหนดรู้ทุกไม่ละสมุทยัยไม่ทําให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมักได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรหันตาธิกถาว่าด้วยพระอรหันตเป็นต้นสองรสบอ็กราคาที่เป็นอดีตของพระอรหันตมีอยู่ใช่ไหมปอรใช่สก พระอรหันต์ชื่อว่ามีราคาด้วยราคานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีโทสะด้วยโทสะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโมหะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก พระอรหันต์ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมานะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีมานะด้วยมานะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทิฐิที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก พระอรหันต์ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีวิจิกิจฉาด้วยวิจิกิจฉานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทีนะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีถีนะด้วยถีนะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอุทัจจะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีอุทัจจะด้วยอุทัจจะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอหิริกะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีอหิริกะด้วยอหิริกะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอะโนตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ชื่อว่ามีอะโนตปะด้วยอะโนตปะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสกกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สกรพระอนาคามีชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจชาที่เป็นอดีตศีลตปตะปารม่าที่เป็นอดีตกามราคะอย่างละเอียดที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกรพระอนาคามีชื่อว่า มีจิตยพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิกิกิจชาที่เป็นอดีตศีลปะปรามาที่เป็นอดีต การมราคะอย่างหยาบที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สอกอพระสกทาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอร์สากายทิถิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกอ พระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจชาที่เป็นอดีตศีลปตะปรามาที่เป็นอดีตราคะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตโทสะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก พระโสดาบันชื land, ่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้กสิบสองสกราคะที่เป็นอดีตของปุทุชนมีอยู่ปุตุชนชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรใช่สกราคาที่เป็นอดีตของพระอรหันมีอยู่พระอรหันชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโทสะที่เป็นอดีตอนโนตปะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีอโ น, นตปะด้วยอโ น, นตปะนั้นใช่ไหมปรใช่สก อ, อโนตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่ามีอโ น, นตปะด้วยอโนตปะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสกกายทิฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ ปุทุชนชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปรใช่สกสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่พระอนาคามีชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกกิจชาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุทุชนมีอยู่ปุทุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหม ปอรอใช่สกพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่พระอนาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสักกยทิฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปอรอใช่สก จักรยทิทิที่เป็นอดีตของพระสกะทาคามีมีอยู่พระสกะทาคามีชื่อว่ามีทิถิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีต ข, ของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปอรอใช่สก พยาบาทย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกธาคามีมีอยู่พระสกธาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสักกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปอรอใช่สอกอสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ พระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิ showing, ด้วยทิฏฐิ น, นั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิกจิกิจชาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรใช่สกโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่พระโสดาบันชื่อว่า มีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคาที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ช really ื่อว่ามีราคาด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรใช่สกราคาที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีราคาด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก โทษะที่เป็นอดีตอโนตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ชื่อว่ามีอโนตปะด้วยอโนตปะนั้นใช่ไหมปรใช่สกอโนตปะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีอโนตปะด้วยอโนตปะนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ แต่พระอนาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรใช่ส ก, ก, กสักกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหม ieme? ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจชาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่แต่พระอนาคามีไม่ชื่อว่า มีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรใช่สกพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักรยทิฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่แต่พระสกทาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหม ปรอใช่สกสกายทิฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีต ข, ของพระสะกะทาคามีมีอยู่แต่พระสะกะทาคามีไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรอใช่ สกพยาบาทอย่างหยาบที er ่เ evet. ป mm ็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมปรใช่สกสักกายทิฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ แต่ปุตุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจชาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมป ร, รใช่สกโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุตุชนมีอยู่แต่ปุตุชนไม่ชื่อว่า มีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอติตะหาทาทัตถาธิปทาว่าด้วยมือที่เป็นอดีตเป็นต้นสองร้อยก้าสิบสามสก มือที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อมือที่เป็นอดีตมีอยู่การจับและการวางย่อมปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่การก้าวไปและถอยกลับย่อมปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ข้อพับที่เป็นอดีตมีอย <Yes> ู่ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อข้อพับที่เป็นอดีตมีอยู่การคู่เข้าและเหียดออกย่อมปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ความหิวและกระหายย่อมปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กายที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกกายที่เป็นอดีตได้รับการยกย่องและการลงโทษได้รับการตัดและการทําลายเป็นของทั่วไปแต่ฝูงกาแรงเหี่ยวใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยาพิษศา ส, สตร์ไฟพึงกล้วยกลายเข้าไปในกายที่เป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กายที่เป็นอดีตยังถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือขื่อคาเครื่องจองจําคือเชือกเครื่องจองจําคือโซ่ตรวนเครื่องจองจําคือบ้านเครื่องจองจําคือนิคมเครื่องจองจําคือนครเครื่องจองจําคือชนบทด้วยการจองจํามีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกน้ําที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่ สกบุคคลทำกิจท mm. ี่ต้องทำด้วยน้ำได้ด้วยน้ำนั้นใช่ไหมปรเมื่อควรกล่าวอย่างนั้นสกไฟที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยไฟได้ด้วยไฟนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกลมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก บุคคลทำขีดที่ควรทำด้วยลมได้ด้วยลมนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอติตักขันธาธิสมุทานกถาว่าด้วยการประมวลขันที่เป็นอดีตเป็นต้น294กสกรูปประคันที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกรูปประคันมีสามใช่ไหม ปรไ wow ม่ควรกล่าวอย่างนั <sk ate> <sk ate> <sk ate> ้นสกขั้นห้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกขั้นมีสิบห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักรยานตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกจักรยานตนะมีสามใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอายตนะสิองที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอายตนะมีสาสหกใช่ไหมปรไม่ควรกล่กาวอย่างนั้นสกจักผู้ท่าที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก จากขุท่าดมีสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่าสิบปที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกท่าดมีห้าสิบสี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจากขุนสีที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก จับพุนซีมีสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอินซียี่สิบสอง 52, ที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอินซีมีหกสิบกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระเจ้าจั ก, กรพรรดิ ท, ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประท่สธนรกถา ว่าด้วยการซักฟอกบท 295. รอกสกอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตใช่ไหมปรสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีสกท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มี ดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่ใช่อดีตจึงเป็นอดีตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่ใช่อดีตจ like ึงจเป็นอดีตคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่ไม่ใช่อดีตเป็นอดีต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 ปรใช่สกสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตใช่ไหมปรสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีสกท่านจงรับนิข拉ห์ดังต่อไปนี้หากอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคต ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตเป็นอนาคตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 สกใช่ปรสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันใช่ไหมสกสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีปรท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีดังนั้นปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นปัจจุบัน ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มี ด, ดังน enfin, ั้นป tamam ัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นปัจจุบันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าปัจจุบันไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 สกใช่ปรสภาวะที่มีอยู่เป็นนิพานใช่ไหมสกสภาวะที่มีอยู่เป็นนิพานก็มีไม่เป็นนิพานก็มีปรท่านจงรับเนื้อข่าดังต่อไปนี้หากนิพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพานก็มีไม่เป็นนิพานก็มีดังนั้นนิพานจึงไม่ใช่นิพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพานจึงเป็นนิพาน ท่านกล่าวความขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่านิพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพานก็มีไม่เป็นนิพานก็มีดังนั้นนิพานจึงไม่ใช่นิพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพานจึงเป็นนิพานคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่านิพานไม่ใช่นิพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพานเป็นนิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพานมีอยู่ สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่านิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพานคำนั้นของท่านผิดสุตตสราธนะว่าด้วยการแองพระสูตรสอง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 รูปไกลหรือรูปใกล้ประมวลเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่ารูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ ประมวลเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขันมีอยู่จริงมี่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นอดีตจึงมีอยู่อนาคตก็มีอยู่สอก อ, อดีตมีอยู่อนาคตก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือหนึ่งหลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อสหลักการบัญญัติในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านหลักการสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งรูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้ว บัญญ e ัติร e ูปน e ั้นว่าได้ม e ีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าม si ีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจากมี สองรูปใดย Flight, ังไม current, origin, ่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกรูปนั้นว่าจากมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจากมีบัญญัติรูปนั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณนั้นว่าจากมีตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าจากมี บัญญัติวิญญาณนั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วสรูปใดเกิดอยู่ปรากฏอยู่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่บัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจากมีเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดเกิดแล้ว ปรากฏอยู่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่บัญญัติวิญญาณนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจากมีภิกษุทั้งหลายหลักการสาประการคือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสหลักการบัญญัติในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้าง ในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านภิกษุทั้งหลายแง่นชนชาวอุกละชนบทกับชนชาววัสพัญญะชนบททั้งสองพวกเป็นผู้เถออะเหตุกระวาทะเป็นผู้เถออะกิริยาวาทะเป็นผู้เถนณทิกระวาทะได้สำคัญหลักการสามประการคือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อ สหลักการบัญญัติว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษและถูกคัดค้านมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อนาคตมีอยู่สก อ, อดีตมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรนี้ว่า ท่าพระภคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดรมเป็นเครื่องเนล่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัตตะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจกัจกรหูใดจักรหูนั้นมีอยู่หรือคิวหานั้นมีอยู่หรือบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต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 ปรินิพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขูใดจักขูนั้นไม่มีเลยชิวหานั้นไม่มีเลยบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดทรรเป็นเครื่องเนื่องช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัตตะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลยมีอยู่จริงนี่ใช่หรือป ร, รใช่สก ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่สกอดีตมีอยูอออ่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าท่านพระนันตกะได้กล่าวดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะเมื่อก่อนเรามีโมหะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดี บัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะความกำหนัดนันทีิความเพลิดเพลิน ตันหาความทยานอยากมีอยู่ในกวเวเลีกราหานไซวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวเวเลียนกราหานนั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดนิพพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกโกรธกระวายและมีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัญหามีอยู่ในภาษาหานถ้าราคะนันทิตัญหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหานถ้าราคะนันทิตัญหา มีอยู่ในวิญญาณอาหารเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกรว์กระวายและมีความคับแค้นมีอยู่จริงใช่ไหมสอกอใช่ปอรอดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สอก อ, อนาคตมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอกอพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในกวเวเลกราหานวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวเวเลกราหานนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความโกวงประวัยและไม่มีความขับแค้นถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในภาษาหารถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหาร ถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณอาหารเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความโกวนกระวายและไม่มีความขับแคลนมีอยู่จริงใช่ไหมปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สัพภมัถิติกระถาจบ